อธิกรณ์นั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าสงพร้อมกันแล้วพึงระงับอธิกรณี้ด้วยตินวัฏฐาระกะเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยคฤหัตลำดับนั้นบรรดาภิกษุฝ่ายเดียวกันภิกษุผู้ฉลาดสามารถ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 ถ้าพวกเราจะปรับอาบัตเหล่านี้กันและกันบางทีอาิกรอนนั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาเพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตของท่านทั้งหลายและอาบัตของตนในท่ามกลางสงด้วยตินวัฏฐารกะ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 อธิกรณ์ น, นั้นจะพึงลุกลามไปเพื่อความรุนแรงเพื่อความร้ายกาจเพื่อความแตกกันก็ได้ถ้าสงพร้อมกันแล้วข้าพเจ้าพึงแสดงอาบัตของท่านเหล่านี้และอาบัตของตนในท่ามกลางสงด้วยตินวัฏฐารกะเว้นอาบัตที่มีโทษอยากเว้นอาบัตเนื่องด้วยคฤหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้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 พึงแสดงอาบัตของท่านเหล่านี้และอาบัตของตนในถ้ำกลางสงด้วยตินวัฒนารกัเว้นอาบัตที่มีโทษอยากเว้นอาบัตเนื่องด้วยคฤหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนนี่เป็นยัติท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้า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 ข้าพเจ้าสแสดงอาบัตของท่านเหล่านี้และอาบัตของตนในถ้ำกลางสงด้วยตินวัฏฐารกะกัดเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบเว้นอาบัตเนื่องด้วยคฤหัตเพื่อประโยชน์แก่ท่านเหล่านี้และเพื่อประโยชน์แก่ตนท่านรูปใดเห็นด้วยกับการสแสดงอาบัตเหล่านี้ของพวกเราในถ้ำ ก, กลางสงด้วยตินวัฏฐ <คน S 1> ารกัดเว้นอาบัตที่มีโทษหยาบ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 ตินวัฏฐากะจบ